การเจริญกรรมฐานของบรรดาท่านพุทธบริษัทสุดมุ่งหมายจริงๆก็คือปฏิพันฑ์การจะปฏิบัติเข้าถึงนิพพานได้จริงๆต้องตัดสังโยชน์ประการได้แต่ความจริงสิ่งที่มีาสาคัญที่สุดก็คือสังโยชน์3ถ้าได้สังโยชน์3ประการจะแล้วอีกเจอย่างเป็นของไม่นัก พราะถ้าเริ่มต้นได้ต่อไปก็กค่อยๆปฏิบัติก็สามารถจะตัดได้หมดวเองสังญอดสามรายการก็คือหนึ่งสกายติติสองวิจิกิจชาสามสิรปตะปรามาตและคำว่าสักกายติตินี่มีความหมายต่างกันในขั้นระโสดากสิทาคามี มีความรู้สึกอย่างหนึ่งในขั้นพระนาคามีมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งในขั้นฝึกเพื่อความเบรหันก็มีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งในขั้นระโสดาบัญกสกิธาคามีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าระโสดาบัญก็ดีพระสิธาคามีก็ดีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์ราภรณ์ลอยและพิชรัต น่นหมายความว่าประโสดาบันและพระศิีธาคารมีมีสมาธิจริงๆในขณะนั้นแค่ปฐมฌานก็พอสาหรับปัญญาก็ไม่มากใช้แค่มรณานุสติกรรมฐานิแต่ความสงคัญที่ต้องการความมั่นคงก็คือศีลสำหรับความรู้สึกในสกายาิติิ ก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดมีขึ้นแล้วก็วมีความตายในที่สุดเหมือนกันหมดมีความมั่นใจว่าชีวิตเราต้องตายแต่ความตายจะมีกับเราเมื่อไรนะั้นก็ไม่แน่นอนนักเพราะความตายไม่มีนิมิตไม่มีที่ไม่มีเครื่องหมายอาจจะตายเมื่อวัยหนุ่มเมสาววัยกลางคนวัยแก่ก็ได้ทั้งหมด กเกิดคิดตามความเป็นจริงแล้วคนที่เกิดทีหลังเราตายก่อนเราไปทั้งเยอะคนเกิดรุ่นราเขาเดียกับเราตายก่อนเราไปก็มากฉะนั้นขึ้นชื่อว่าชีวิตจะคิดว่าต้องแก่แล้วยังตายไม่ถูกนักฉะนั้นท่านที่เป็นพระโสดาบันที่พระสิกธาคํามีก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าชีวิตมันอาจจะตาย แต่ความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทรงทั้ง24ชั่วโมงเป็นเพียงว่าเช้าตื่นขึ้นมามีความรู้สึกวันนี้อาจจะตายก็ได้จะตายเมื่อไรก็ตามทีเราต้องทรงความดีไว้ก่อนความดีที่เป็นโสตดาบาัยพระสิกขาคามีจะทรงก็คืนหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าสองยอมรับนับถือะธาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 3ยอมรับนักธิปพระอดีตสงฆ์ขึ้นเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาธรมปุตตเจ้าและก็สีมีศินบริสุทธิ์ความจริงองค์ประโสูบบาดาบัจริงมีสี่หนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าสองเครพพระตามสามเครพพระอดีตสงฆ์ได้ก็สีมีสิน5บริสุทธิ์ถึงเฉพาะสินหนาไงธรรมชาติแข็งนะขึ้นเลงเท้า ประสงดาบันแค่สินห้านีมระจาสิงแห่งประเทศี่แต่นั้นในเมื่อถ้าเรามีความเคารพพระพุดธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีสินห้าบริสุทแล้วทำไมจะรู้ว่าเราเป็นประสงดาบันก็สักเกตก็คือว่าขณะที่ทรงสินห้าก็ดีมีความเคารพพระพุทธธรรมประสงค์ก็ดีตอนนั้นอารมณ์จิตของเราต้องการจุดหนึ่งคือชี้แจงเรื่องการแก้ไขผิพลาดของรัฐบาล มีอารมณ์รักปณิพันธ์เป็อย่างยิ่งตามความรู้สึกนะถ้าตายจากชาตินี้เราไม่ต้องการเกิดตุมนุษย์เราไม่ต้องการเกิดพลังวคนเราไม่ต้องการเกิดพระพุทเราต้องการนิพพานไม่มีสัมพันธ์ทางการพุกับไทยถ้าอารมณ์จิตอยู่ในขั้นนี้ที่เรียกว่าโคตรภูรคมโสดาบันคำว่าโคตรภูเราอยู่ในระหวา่างระหว่างโลกีกัโลกุตระ จะเป็นฌานโลกีก็ไม่ใช่จะเป็นชานโลกระก็ไม่ใช่ควารู้จักึกันละกันาลมสดาบันเกิดขึ้นจริงเข้าถึงจริงอารมณ์เยือกเย็นกว่าเก่านิดหน่อยมีความเยือกเย็นขึ้นความรู้สึกว่าธรรมดายกเกิดขึ้นกับใจที่ทุกคนเพิ่งจะทำได้ แต่ความทุกข์เกิดขึ้นจากการหนึ่งตกทินทาว่าร้ายมีก็จะมีความรู้สึกว่าธรรมดาของมนุษย์มันเป็นอย่างนี้เกิดในโลกนี้ก็โตกทินทาว่าร้ายอยู่เสมอถ้าฟังคำชมก็คิดว่าตามธรรมดาของชาวโลกก็ต้องมีการชมความชมในจริงและไม่จริงก็ไม่ทราบอันนี้จิตเข้ามาโสดาบันจริงๆก็ยังมีความบันไบทแต่ว่ามีความบันไบทน้อยกว่าประถุชนคนธรรมดา การแก้ไขจะสำเร็จหรือไม่ดูที่สมาชิกคือยอมรับนับถือกฎธรรมดาแต่ก็ยังไม่แั่นคงนัดสามารถแก้ไขได้รวมความไม่ให้สังเกตที่ศีลปถ้าเราสามารถทรงศีลห้าบริสุทธิ์โดยไม่ต้องระวังศีลได้จิตมีความยอมรับนับถือว่าต้องการปฏิพันธ์เป็นที่ไปอย่างนี้อารม์ใจกุมารปุถุพันธ์สัตว์พวกนั้นเป็นประโสงดาบันถ้าให้ความเห็นไปแล้วแต่ว่าต้องเป็นปกตินะ ไม่ใช่รักษาสินดีบ้างบกพร่องบ้างการรักษาสินตุเตขาบทความจริงก็เป็นของไม่หนักแต่ที่หนักเพราความไม่เข้าใจสินตุเตขาบทจะขาดได้แต่เมื่อมีเจตนาตั้งใจทําลายถ้าเราไม่มีการไม่ตั้งใจทําลายสินจะไปก็ไม่ขาดอย่างเดินไปบังเอิญไปเหยียบสใส่ไตายบ้าง โยนของหนักไปโดยไม่คิดไม่ไม่เห็นไปโดนสั์ตายบ้าอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้สิ่งข้อเด่ดในขาดได้มาชุมนุมกันเรียกร้องขอบบอย่างสิ่งข้อที่สอของเขาวางไว้เราไม่เข้าใจคิดว่าของไม่มีจะขอหยิบออกไปอย่างนี้นยังไม่ถือว่าขาดแต่ว่าถ้ายัางของก็ทวงถามไม่ยอมคืนให้อันนี้ขาดแน่นอนซึ่งเรากับผู้สื่อข่าว ถ้าเขาไม่ทรงถามก็แล้วไปแต่ว่าต้องคิดว่ามีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเห็นว่าว่าของไม่มีเจ้าของนะสรุปของมีเจ้าของอยู่ไม่ได้อย่างสิ้นข้อที่สามความรักในระหว่างเพศก็โสดาบันไม่ละเมิดวเมีนวิีความยอมรับทับถือซึ่งอะไรกัน ถิ้งข้อดีสี่ที่รักษายากกับคนดีก็ไม่ยากถิ้งข้อดีสีจะทำจะทลายไปได้ต่อเมื่อตั้งใจทำลายทำลายทาลายผลประโยชน์ของเขาถ้าพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่หวังรักษากำลังใจให้มีควา ม, มคนนั้นให้มีความสุขอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นมุสาวาท ก็รวมความว่าการศักษาสินจริงๆความจริงอารมณ์ก็ไม่หนักแต่เข้าใจตั้งแต่ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องตั้งใจกระทำาจะทำได้สำเร็จสำเร็จผลตามนั้นสินยยังขาดรวมความว่าการปฏิบัติข้ามัญดาเทมพุทธวิสัชจริงเราหวังนิานรวมความว่าการปฏิบัติขาทพุทธิัจริงๆเราหวังนิพพาน แต่ถ้าหวังนิพพานจริงขันธสังโยชน์เบื้องตน้นต้องได้หนึ่งมีความรู้สึกธิไย่จะต้องตายสองยอมรับนับถีพุทธเจ้าพระธรรมและพอาเรียสงและสามมีสินห้าบริสุทธิ์สิ่งที่แต่เติมเข้ามาก็คือ อุปสมานุสติกรมันฐานได้แก่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ต้องการพระนิพพานเป็นที่ไปโด ย, ยเฉพาะเป็นอันว่าการปฏิบัติคำบรรดาท่านาพุทธบริษัทเบื้งองต้นขอทุกคนทำไม่ได้อย่างนี้นะท่นนี้เราจะทำยังไงจะควบคุมรังใจได้ก็ต้องย้อนกลับไป ห, หาเมื่อคืนที่แล้วนั่นคือปร ม, มีหารสี ได้กําลังใจเขาบรรดารท่านผู้บริษัทรทรงพรมยมิง่งหันศีกครบถ้วนสินไม่ขาดมีรมใจเยือกเย็ยนและจะมีความเคารพยอมรับนั้ถือพระพุะทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจเขาจิตใจเปิทรงจนไปที่พอใจ ก็รวมความว่าต้องใช้อารมณ์ของพรมิหานสีอันนี้ก็พูดถึงผลของพรมหารสีพรพูดไปพูดมาในสิ้นเวลาไป15บนาทีเช่จะทำท่าเลื่มหลับอะรรัฐมนตรีโรงงานดนกล่าวว่าเนี่ยอันนี้ก็มาแก้หลับทุกสักหน่อยไหมกำลังของพรมิหารสีมีอะไรบ้างเป็นคนเป็นประโยชน์จะเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังไม่ใช่นิทานนะ เมื่อจะเวลานั kind of like ้นปลายกฏว่ามีพรรษาได้พรรษาที่สองหมดได้สองพรรษาออกพรรษาเดนิปสองก็ออกตัวน์ตุงตอนนี้ขอเล่าถ mm ึงโดงสายใต้เมื่อคืนนี้ไม่จํากัดสายสายใต้ก็ไม่ใต้เกินไปนักอุตสาห์กลางไปการบุรีเนี่ยแด้านใต้ของดาวนงตุ่ง ออกจากวัดบานุโปตอนเช้าไม่เช้ามากนาัก เ, เดินเข้าไปถึงอำเภอป่าประม า, า, าจังหวัดสุพรรณบุรีที่ผู้ที่รู้จักพวกเราสามารถและช่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ไแล้วก็เดินไปถึงตลาดคอวังพอถึงตลาดคอวังก็ข้ามตลาดคอวังเดินตัดตรงไ ป, ไปพระร ท, ที่นท่งรงรัง สายนนต้องตั้งใจไปหาว่าท่านดงรังถ้าสายเหนือหรือไพสานี่ตั้งก็ตั้งใจไปหาพระพุทธบาทก่อนแต่ก่อนจะถึงว่าท่านดงรังนี่ก็คําก่อนเวลาเย็นประมาณห้าโมงเย็นไปก็ไปไปทันที่นั่นถ้าจาชื่อไม่ผิดก็เรียกทุ่งสมอน้องขาวถ้าจาชื่อไม่ผิดนะได้แจ้งให้มาติดต่อกับกรมแรงงานก็มีสลาอยู่หลังหนึ่งพิศลาที่แพักร้อน แต่ว่าที่สลาหลังนี้ปรากฏว่ามีกรดของพระตูดงอยู่หลายกรดถ้าจจะรู้ว่ามีกรดเท่านั้นคงไม่แบ่งไปนะในกรดพระตูดงที่มีอยู่นั้นไม่ใช่พระตูดงไปแขวนไว้หรือไม่ใช่ใครสร้างให้เป็นกรดที่พระตูดงสุกถูกเสือกัดตายที่ไปปากกรที่ตรงนั้นนเสือกินบ้างเสือกัดบ้างตายไปบ้างแต่ก็เป็นการมาเอินไปถึงที่ตรงนั้น ก็มันจะค้ำพอดีก็เลยไปไม่ได้ต้องตามท่าปากกักตรแต่ตามระเบียบของการโทษดงถ้าปาักตรแล้วอาจารย์ห้ามถอนอยากถอนไม่ได้เป็นตายไร้ดีไงก็ต้องอยู่ที่ตรงนั้นพอเริ่มปักกดไปแล้วก็ปรากฏว่ามีบรรดาญาโยมชาวบ้านนั้นมาหลายคนมาบอกว่าที่นี่ปักตรไม่ได้ครับตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเข้าชี้ให้ดูกด กลดที่แขวนอยู่นี่ไม่ใช่ใครซื้อวัถวายพระเป็นกรดพระธุดงค์ที่ตายเพราะเสียกินสบายไหมเราทำไงในเมื่ออาจารย์สั่งห้ามถอนปักแล้วก็เลยบอกว่าโยมถอนไม่ได้ตายก็ตายไปยังไงไงก็ถอนไม่ได้ญาติโยมก็ดีนี่บอกว่าคืนนี้ผมจะมาประมาณทั้งสิบคนเอาปืนมาคนละกระบอก ถ้าบังเอิญเสือมันมาแล้วก็ท่านเคาะบาทให้แรงๆนั่นนะผมจะนอนอยู่ใกลใ้ๆนี่ก็จะพร้อมใจกันยิงเสือนี่เป็นคำคอยคบอกกัญญาโยงที่มีมความบังดีต่อมาก็ปรากฏว่าถึงเวลากระโโพค่ําต่างคนต่างเจริงกรรมฐานก็ไม่มีอะไรเวลาประมาณสามทุ่มพัก ก็นั่งคุยกันในระหว่างสายอภิษฎสายโยมกอดนะั่นคือสายอภิษฎใการปักหลักเพื่อผูกสายสายอภิษฎนี้เขามีคาถาว่าเป็นการป้องกันสัตว์ร้ายอันนี้เวลาสี่ทุ่มจะเสด เ, เริ่มเจริญกรรมาฐานประมาณห้าทุ่มเพื่อนมาเยี่ยมแหมมองดูใครดีนะอยากคุณนายนั้นเหมาะเสือยิ้มนะ อ้วนอวนแบบนี้มันบอกแม่มันเท่กินนะเจ้าเสือมาดอมฝุดฟัดฝุดฟัดฝุดเอท่าทางมันเอาแน่ถ้ายังไงนั่งแผ่เมตตาพรมมญาณสี่มันก็ไม่ไปดินะมันก็ไม่ยอมไปแผ่เมตตาแล้วแผ่เมตตาอีกก็ไม่ยอมไปพราะในสุดก็ต้องใช้คาถาเมตตาคาถาเมตตาขนมพ่อแช่มวัดท่าฉลองจังหวัดภูเกต็ตเทนพรอปานให้ไป ว่าพระรหังสุโตูพระกวาณะเมตตาจิตทําไงก็คิดในใจว่าวันเนี้ต้องอาจจะต้องตายเพราะเสือแต่ในเมื่อเราเป็นมิตรที่ดีของเขาเขาไม่ยอมเป็นมิตรก็าตามใจมันชีวิตไมนมีความหมายความตายยัมีเมไรกับสมัยทราบถ้าบังเอิญจะต้องตายไปวันนี้เพราะกาลังเขาเสือเราขอไปนิพพานตั้งใจหวังนิพพานจุดเดียว คิ่ร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเร า, เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีเราคิดตอนนั้นนะก็โจเยนึกว่าตอนนั้นฉันเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่หรอกยังไม่ได้อะไรเลยได้แค่ชานโลกีนิดหน่อยอย่าไปคิดว่าพระตุดงต้องมันลุกทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นไปเพื่อฝึกเ <c oughs> พื่ <c oughs> อความมันลุกเมื่อตัดสินใจเพื่อนิพายนั่ง น, นั่งภาวนาคาสมาธิภาวนาว่าพระอรหังสุโตัวพระกวานะเมตตาจิต นี่กำลังจิตของคนถ้ามีความกลัวเกิดสูงมันก็มีการเล่งรัดตัวเองสมาธิก็เข้าง่ายประเดี๋ยวเดียวตกถึงชานสีใช้เวลาไม่เกินสองนาทีจิตเข้าถึงชานสีพอเข้าถึงชานสีนี่มันก็ไม่รู้สึกเรื่องภายนอกความจริงไม่ใช่นหลับให้เข้าใจเห็นานี้นะคนที่เข้าชานสีไม่ใช่นั่งหลับมีความรู้สึกโปรง่งมันก็ตื่น ตื่นได้ว่าตื่นสว่างดีมากแสงสว่างมีชัดอารมณ์ชัดสติสมิธยะสมบูรณ์มากแต่ว่าตัดความรู้สึกภายนอกเสียงภายนอกจะไม่ได้ยินสิ่งสัมผัสภายนอกจะไม่รู้สึกอันนี้เป็นฌานสี่พอจิตเข้าถึงฌานสี่มันก็เลิกกลัวเสืออยู่แล้วเสือไปก็ไม่ทราบเห็นจิตก็นั่งสบายๆไม่รู้เสือกลับไปเมื่อไหร ที่เรารู้ว่าเสือกลับไปต้องทำอะไรต่อมาคือว่าตอนเช้าเมื่อลืมตาขึ้นมาปลากรวดของเราถูกไออะไรเศษดินอะเศษดินที่ถูกขว้างมาจากเสือคุ้ยมันคุ้ยมันคุ้ยให้ออกไปให้มันกินก็ในสายว่าอัฟวรกาดมันเข้ามไม่ได้มันข้ามข้ามเส้นเชี่ยงพันเขตเส้นเชี่ยงของมันไม่ได้มันก็เดินรอบรอบเล้วคุ้ยดินให้เราออกไปเราไม่ออกเราทำสมาธิใช่ การนั่งสมาธิวันนั้นรู้สึกว่าใช้กําลังมากไปนหน่อยก็ราะอะไรกลัวเสือไม่ใช่เก่งนะกลัวเสือก็คิดว่ามันจะตายถ้าตายก็ตายถ้าตายด้วยกําลังขุนชานสีนได้มีวาสนาญาณเราตั้งไว้เพื่อนิพพานเมื่อร่างกายไม่มีความหมายสาหรับเราอันนี้มันไปแน่นอนแต่ไม่ได้ไป นั่งทั้งสามกฎจนั่งกันต่างคนต่างนั่งไปไม่จะนัดกันต่างคนต่างกลัเสือเหมือนกันใช่ไหมแต่กลัวเสือไม่ออกไปจากที่ออกไปเมื่ไรมากินมานั่นนั่งไปจนทั้งเชา้ชาเช้าก็ยังไม่พอถึงสายญาติโยมเขาไม่เห็นเห็นไม่เห็นไปบินอบายเขาออกมาดูพวกเรายังนั่งไม่ตื่นเขาเลยนาอาหารมารอข้าหนอก ในขณะที่นั่งอยู่ยังก็เห็นเห็นนุ่หอานท่านเดินมาต้องเรียบเราคุณคุณเอ้ยสามองค์เนี่ยญาติมันสายมากแล้วญาติโยงอาหารมาถวายข้างกรดลืมตาทันทีที่เห็น ท, ท่านจากจะลืมตายมาดูก็ลืมตาเราไม่เห็นแล้เห็นได้โยมมอบอยู่ข้างกรดหลายคนนันดีอกดีใจโอ้แม้ท่านเก่งจริงๆเสือมาหรือเปล่าเขาไปดูรอยเสือมาบอกเสือมา ว่มีไม่มีพระองค์ไหนที่พ่นลอยเสียเ พ, เพื่อนปากเสือไม่ได้มีชุดท่านชุดเดียวข้าบอกว่าเก่งแล้วใช่เก่งเลยโยมต้องเก่งท่านนั่งสมาธิขับเสือได้บอเลยบอกไใช่ายฉันนั่งสมาธิหลบเสืยอยจ้า ก, กำลังเดียวไม่เสือไม่กินญาติโยมก็เลี้ยงอาหารเสร็จความจริงก็โชคดีของเขาเหมือนกันเป็นการเลี้ยงอาหารพระออกจากสมาบัติ และก็ทั้งสามองค์เหมือนกันตอนเสนสายพระญาติโยมกลับแล้วก็ถามว่าใครมีความรู้สึกไงบ้างก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าวันนี้ตายเพราะเสือแน่แต่ถือว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรามันต้องตายเป็นคนธรรมดาตายด้วยกันไข้ป่วยไม่สบายก็ถือว่าตายเสือกินก็ตายแต่ตายเพราะเสือกัดมันตายเร็วเร็วกว่าป่วยไข้ไม่สบาย ตัดสินใจไม่ได้ผ่านแล้วก็ใช้คาถาบทเดียวกันเหมือนนักกันแต่ความจริงไม่ได้พูดกันนะต่านกรงตัางคนต่างขี้ขาดเหมือนกันก็เป็นว่าต้องปักตรีอยู่ที่นั่นสามวันโยมไม่ยอมให้ไปเมื่อครบสามวันก็ลาญาติโยมไปไปไหนเข้าเขตไปถึงพระท่านดงรังพเข้าเขตพระท่านดงรังหลังจานั้นก็เดินต่อไปถึงเขตใกลก้พม่าไปหาน้ํากินใช่ไหม เออเหลือเวลาสิบนาทีเล่าต่อไปดีไหมเอามนเรื่องมันยาวมากเอาเอันสั้นๆเอาแค่พอรู้เรื่องก่อนยาวนักไม่ได้เที่ยวนามาไม่มีเรื่องพูดไอ้นี่ที่เป็นก็ไม่ได้อย่างนั้ น, น, นก็ขอสรุปว่าเป็นข้อหนาาเมตตาในพมิหารก่อนที่เราจะตั้งใจหลบเสือเจริญเมตตาบารมีก่อนไม่ใช่กระถาเมตตาเป็นเ ห, นห่เสือยับยัง้ง อันนี้ก็ถือว่าประมาณสี่นะต่อมาก็ออกจากที่นั่นไปพักตามเชิงเขาทตามตำําแล้วถามว่ามีบ้านมิจนาบัดไหมก็ต้องตอบว่าไม่มีบ้านมิจนบัดเพราะตุ่งบาบกฤษกินข้ากับเทวดากินเท่านางฟ้าแต่เทวดานางฟ้ารูปร่างไม่สวยเหมือนคนที่นั่งที่เนี่ยหน้าตาอมแอมเลอะเทะนุ่งผ้าขาดลุ่งลิงเลแกหลอก ใช่ไหแต่ว่าอาหารของเขาที่เราจะจับได้วันคืนหนึ่งอาหารมีสีเหลืองข้าวมีสีเหลืองบริการที่สองรถหัตรเล็กน้อยบริการที่สามมาใส่บาทแล้วมีดอกไม้สวยๆซึ่งเราไม่เคยเห็นใส่บาทนหนึ่งดอกดอกไม้สวยมากต่อมาก็ไปนอนเอาเรื่องมันเยอะแยะสา ย, สายใต้นี่นะก็ขอรัดไปพบพระการไปทุ้ดงในป่าชัดมันมีประโยชน์ ประโยชน์จากพระอริยเจ้าที่ต่างเป็นเทวดาบ้างที่เป็นพรหมบ้างคอยสอนคอยแนะนำการตั้งกำลังใจเพื่อกรรมฐ า, านที่ท่านแนะนำให้วันนี้ก็จะขอพูดถึงพระอรหันต์เอาตัดยอดไปเลย เ, เวลา ใ, ใกล้เข้ามาคือว่าวันหนึ่งเวลาใกล้จะกลับไปอยู่แล้วหกเดือนเศษ เวลาใกล้ๆจะกลับวันหนึ่งก็นอนอยู่โคนต้นไม้เวลาบ่ายประมาณสักสาโมงแคกะเวลาเอาเนะนไม่แน่นอนนักตอนบ่ายประมาณสามโมงนอนเล่นกันคุยกันไปบ้างก็พิจารณาดูใบไม้บ้างก็คุยกันเรื่องใบไม้ใาใบไม้ใบแก่ๆที่มันหล่นออกมาเนี่ยก็เป็นใบอ่อน จากใบอ่อนแล้วก็เป็นใบแก่ใบแก่แก็เป็นใบหล่นในที่สุดก็เหมือนคนเราเกิดขึ้นมาจะเป็นเด็กแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตายเหมือนกันอย่างชีวิตของเราสามคนก็ไม่แน่นอนนักที่เราเดินมาจากวัดจะได้กลับวัดเปล่าก็ไม่ทราบความตายอยู่กับเราแค่คืบถ้าบังเอิญป่วยไข้ามาสบายที่ร้ายแรงมากเกินไปเราไม่มียายจะกินเราก็ตายถ้าขาดพิหารสีเมล า, ายเสือกัด จะช้างทุบงู ก, กัดตายเรือว่าถ้าบังเอิญกำลังใจเราเลวกว่านั้นเทวดามันนางฟ้าไม่เลี้ยงแลวก็ตายก็คุยกันตามนั้นคุยตามความเป็นจริงไปเดียวเดียวก็เจอพระองค์หนึ่งนุ่งสบงนะใสอังสะจีบอยขาดหัวลากปไหลามาพวงบาเลยพระนะ่ะแทงบไหลมีซ่อมเหล็กแทงบลไหล ทีแรกก็แทงอยู่ไกลๆ ก, ก็มองเห็นได้เนี่ยพระนิวาถ้าแทงบัลไลพอเดียวแทงใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาโยกพวกเราพอเดียวก็มาแทงใกล้ๆห่างแค่นี้ยังเป็นวัตถรูปมั้งฉันก็เลยพูดกันด้วยกันสองสามองค์พว ก, กนีกก้นสององค์เขาพวกพวกเราไอ้คนเราถ้ามันบ้าจริงๆนะรักษ า, าหายไอ้คนแกล้งบ้าเ น, นี่ยรักษาไม่หายเสียงหยุดแทงบัลไลฮะ แค่ท่านแทงบนหินแล้วบลไหลมันจะมีได้งไงแล้วปลาไหลติขึ้นมาด้วยนะแทงบนหินทะลุลงไปปลาไหลติขึ้นมาเมื่อโกโหกกันชัดๆแล้ว <c oughs> อนที่พูดจากนั้นเธอหยู่ถามมึงว่าใครว่าบอกไม่ได้ว่าใครใครอยากจะรับเอาไปก็เอาไปเถอะมองยืนมองต่อเป็นเรานึก็่องค์เดียวเราสามองค์สู้เราไม่ได้ใช่ไหมถ้าตีกันนะก็เข้าใจแล้วว่ามาประเภทนี้ต้องไม่ปกติ อาจจะเป็นพระอภิญญาก็ได้แม่งั้นจะเอาซ่อมอะไรก็เหล็กกะ ไ, ไปแทงหินเข้านะ่ะน้ำประหลัยที่ไห น, นจะมีในหินแต่ว่าท่านแทงประหลัยขึ้นมาได้เอาแล้วกันปรหลัยก็ดินในพองมันยังไม่ตายมันดินปะปปะปะปะปพอฉันว่าแบบนั้นถ้ากิดมองหน้าผมมองหน้าชักเดี๋ยวเอา้ากูเลิกแทงก็ได้วะเลิกบากก็ได้โยนซ่อมไอ้ซ่อมที่ถือเป็นเหล็กก็โยนไปแล้วเป็นรากไม้ ไอ้ปลาไหลทั้งพวงโยนนั้นเป็นรากไม้ทั้งหมดเห็นไหมรสจีวรจากทิศามามห่มนเดินเขออาาา้ามาหาถามว่าเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครว่ากูบ้าะปะก็ไม่ได้ว่าท่านท่านอยากจะบ้าก็เชิญบ้าไปตามชอบใจผมไม่ได้ว่าท่านเพราพูดกับพวกผมนี่ยืนประเดี๋ยวว่ากูเลิกบ้าก็ได้เต็นนั่งเพราะนั่งปุ๊บก็ตอนนี้แสดงออกเลยว่าเป็นพระอรหันต์ไม่ได้บอกว่าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ี่ไม่บอก ยังไปถามให้ตายจ้างก็ไปเอาเพราะเพระพวกนี้ไม่มีค่าจ้างไม่รับค่าจ้างนีไหมไม่ว่าลีลาห่งการสอนท่านตั้งใจมาสอนท่านถามว่าพอคุณมาเนี่หวังอะไรก็ตอบว่าหวังมาทําลายกิเลสท่านถามว่าทําลายกิเลสได้กี่ตัวผมได้ตัวเดียวท า, าตัวไรบตัวแทงปลาไหล <c oughs> <c oughs> ไอตัวแทงปลาไหลผมมาที่ไม่เคยแทงปลาไหลเลยไม่มีซ่อมเทโพเลาะเกะิดการ เออนี่ลองดูท่านถามว่าท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างผมแทงปไหลก็ตอบท่านตามความเป็นจริงว่าผมไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะว่าเรื่องของใครก็เรื่องของไครเรื่องของท่านจะแทงปไหลก็เรื่องของท่านเรื่องของผมเจริญสมาที่ปรัชนายานก็เรื่องของผ ม, เ, ง ม, าาว ม, ผมเวลานี้ผมต้องการอย่างเดียวคือเรื่องส่วนตัวอารมณ์ของผมเยคุมอยู่แค่ภายในตัวเองจะไม่ยุ่งกับคนอื่นท่านเลยบอกถูก ทำแบบนี้น่ะถูกถ้าเราจิตไปกังวลกับคนอื่นจิตเราก็ไม่มีความสุขไม่ก็ไ ม, ม่ไม่มีสมาธิถ้าเขาเรวเราไม่ต้องไปพลอยเร็วกับเขาเขาดีก็ไม่ต้องพลอยดีเขาคุ้มกาลังใจของเราต่อมาท่านก็บอกว่าการปฏิบัติกรรมฐานพวกคุณเนี่ยทั้งสมองค์เนี่ยสา ม, มารถปฏิบัติกรรมฐานจบกรรมฐาน40หมดแล้วผมทราบจะรู้ด้วยนะ ปุโรหพ่อปาณอาจารย์คุณเป็นพระโฏิสัตว์คล่องในกรรมฐานสี่สบกรรมฐานทั้งสี่สิบกองทั้งหมดเนี่ยหาพระจบได้ยากแต่ว่าผู้ผผคุณจบบทเมื่อจบแล้วก็ไล่เบีย่ยงกรรมฐานสี่สิบอย่างนี้มันก็คล่องตัวดีแต่ว่ามันจะเข้าไปหาจุดจบไม่ได้พอถามนึกว่าจุดจบมีอะไรบ้างแต่บอกจุดจบต้องเข้าไปหาแสงยอด แต่พวกคุณอ่านสังโยชน์จว่าคุณไม่สนใจกับสังโยชน์เห็นไหมแค่มันฐาน4ี่สีก็ได้เจรเดินถึงชั้นสี่ชั้นสี่ชั้นสี่ไปรูปประชัยเงชั้นแปดก็ แ, แค่นั้นต่อมาถึงจะแนะนําสังโยชน์แนะนําง่ายจริงๆรู้สึกก็มีความเข้าใจง่ายเขาบอกว่าสังโยชน์สามราการเป็นของไม่หนักเราดูสิขาบทต่างๆเราบอกคร่องไหมถ้าเราไม่บกคล่องในสิขาบทต่างๆที่เรียกว่าศีล เราก็ส่งความเป็นประสงค์ดาบันได้เพราะความรู้สึกว่าชีวิตจะต้องตายเรามีอยู่แล้วการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอรียสงฆ์เรามีอยู่แล้วเนื้อต่อไปก็แนะนำสัญญอด้าสัญญอด 5, ิบเวลาเหลือสามนาทีบอกว่าถ้าสามารถตัดสัญญาณสามได้แล้วก็ไม่ต้องาไล่สัญญาณสีห้าหกเจ็ดปดเให้จับสัญญาตัวท้าย ท, าทันทีคืออวิชชา วิชาความหลงเมามันในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเรามีไหมถ้าเราไม่เมามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเราต้องการนิพพานจุดเดียวนั่นคือเรามีหวังท่านิพพานแน่นอนเป็นอรันแน่นอนก็ท่านก็สอนสอนว่า น, นั้นคุยกันเกือบคืนตอนตอนกลางคืนก็นอนคุยนอนสอนลูกศิษย์ก็นอนฟังนะอาจายก็นอนสอน ใกล ร, รุ่งท่านเลิกเลิกแล้วก็ไม่ไปจำวัดกันจําวัดไม่ได้เดี๋ยวสว่างเลยนั่งทำสมาธิกันพอจิตเป็นสุขตื่นขึ้นเช้ามาเราก็จะไปบินนบาตท่านถามว่าบิณนบาต ท, ที่ไหนบอกาจากต้นไม้ตัวนี้ไปตัวนนทครับถาบเดินไปแล้วเดินกลับถ้าไม่ได้ผมก็ไม่กินอยู่ธรรมรรติ <c oughs> ท่านบอกเอางี้อะไรกัน ท่านอดของสดของขาวมานานแล้ววันนี้ผมอยู่บิณบาต ท, ที่จังหวัดสมุทรสาครโอ้โหเวลานั้นเดินเดือนยังไม่ถึงเลยได้กระผมผ้าเสร็จไปไประเดี๋ยวเดียวกลับมาได้ไปโทูต้มยำประตูสดต้มยำห ม, ม, ามอ้อบอกว่าแม่พ่วงเจ้าของตลาดจังหวัดสมุทรสาครฝากมาถวายคุณรู้จักซะด้วยนะ จ, จริงๆญาติโยมน้ำเสือท่านมากรวมความอันนั้นได้ฉันประตูมันตั้งหลายเดือนเขาเดินที่เจ็ดยไม่ได้ยินข่าว นเจ็ดเรียบร้อยหลังจากนั่นเท่าอยู่แนะนำอีหกเจ็ดวันมม 6, 7, ถ้าบอกอารจุดหรือว่าบอกตัดจากนี้ต่อไปในะคุณจยทิ้งสกายอทิฐิกิเลสที่ตัดจริงๆมันตัดตัวเดียวไม่ตัดทั้งสิบตัวตัดสกายอทิฐิตัวเดียวถ้าอารมณ์เห็นว่าร่างกายัะต้องตายมีความมั่นคงอย่างนี้ก็ต้องระวังศีล ถ้าศีลบริสุทธิ์ฝุดฟังเราก็ไม่ลงอบาเยผุมมนี่รปที่พอใจของเราเป็นสังโยชน์เลยเป็นพระพริเจ้าเบื้องตนถ้าต่อไปเมื่อสามารถทำลายสังโยชน์สามได้แล้วก็จะมัวไปว่าจากสี่ห้าเจ็ให้หันไปจับอวิชชาทันทีถ้าจับอวิชชาได้เมื่อไรเราก็ชนะเมื่อนั้นแตว่าขั้นขั้นที่ความว่าชนะยงอยาเร้องรัฐ นี่เป็นการหนึ่งการปฏิบัติจริงๆอย่าเร่งรักตัวเองย้อยเครียดท่านคอยคุมอารมณ์นะเวลาทลําเวลานั่งสมาธิถ้าอารมณ์เครียดเกินไปจะบอกถอยหลังมานหน่อยหนึ่งไม่ต้องถ้าย่อนไปนิดจะบอกเร่งรัดขึ้นหน่อยหนึ่งให้ตึงหน่อยถ้าพอดีพอดีถ้าจะบอกขนาดนี้พอดีเวลาที่สมาธิพอ ด, ดีไม่ใช่อารมณ์เครียดไม่ใช่อารมณ์ไม่รู้เรื่องเป็นอารมณ์ที่จิตมีความสุขมีความสบายๆจิตมีอารมณ์ความสุข แล้วเวลานั้นมีสมาธิเพราะว่ิตคิดได้จิตคิดก็หาสัญยชน์คือพยายามตัดร่างกายเห็น้ร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีเราพิจารณาร่างกายของอื่นนี้เกิดรพร้อมๆกันว่ามันเขาตายเขาตายได้แล้วก็ตายได้จะเกิดกี่ชาติมันก็ต้องตายแบบนี้มีทุกที่นี้เราไม่ต้องการความเกิดอีกจิตเป็นกุโปรงเบลมเป็นสุขระบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเลยเวลาไปหนึ่งนาทีวันนี้ไม่เคยง่วงนะ ไอกี่เ็กตาปลือไปหน่อยนะเอาหน่อยหนะ่อยะอตอนนี้ไปเขาบรรดาทุกท่านตั้งใจสมาทานศีล ส, สมาทานเป็นกรรมราน